วันนี้เป็นวันปรวรณาออกพรรษาของภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาด้วยกันอยู่ในไตรมาสสามเดือนที่อยู่กันมาโดยลำดับก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างแต่ก็ไม่รุนแรงเมื่อรักษาพยาบาลแล้วก็หายไป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 มันก็ต้องมันก็ต้องกำเริบไปตามการเวลาของมันแต่เมื่อรักษาพยาบาลเข้าไปแล้วมันก็บนเท่าลงให้ผู้ที่ไม่มีโรคภัยเบียดเบียนมาแต่เดิมก็รู้สึกว่ามีสุขภาพอนามัยดีกันไป <c oughs> เพราะฉะนั้นทีนี้ท่านจึงเรียกว่าเสนาสนะส ป, ปายะที่อยู่อาศัย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 เราก็ตกเพียนเพ่งพินิษฐให้รู้เรื่องของกิเลสอ น, นั้นละมันเสียอย่างนี้ถ้าเราไม่รู้จักตัวของกิเลสก่อนมันก็ละกิเลสไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นท่านยิงให้ภาวนาทําใจให้สงบระงับลงไปเมื่อใจสงบลงแล้วมันจิตใจมันก็เบิกบานผองไสกระแสจิตมันก็ผองไสอย่างว่านั่นเนี่ย ทีนี้เมื่อใช้ปัญญาพิจารณาค้นดูไอ้กความเป็นอยู่ของจิตใจนี่นะใจนี่มันยึดถืออะไรอะไบ้างนี่ก็รู้ได้ด้วยปัญญาแบบนี้นะเมื่อทำใจสงบลงไปแล้วก็รู้ได้เลยก็ถ้าหาว่ากิเลสอันใดมันมีมันก็คอยที่จะโผล่ขึ้นมาเล่นงานนะ รบ ก, กวนกจิตใจไม่ให้สงบตั้งมั่นอยู่ใดนี่เมื่อเรารู้ตัวของมันอย่างนั้นแล้วก็จะไม่ยอมปล่อยให้มันรบ ก, กวนกจิตใจให้พุ่งส่านลำคาญต่อไปก็กำหนดละมันทันทีนี่แหละการภาวนาสมาธินี่นะมันเป็นอุบายละกิเลสปา่ากระมออกจา ก, ก จ, จิตใจไม่ใช่ว่า เราจะไปภาวนานห้สงบอยู่เฉยๆคันเมื่อกิเลสมันมารบกวนจิตใจเข้าไปกับจิตสอนสมาธิแล้วก็ปล่อยให้จิตพุ่งซ่านเลื่อนลอยไปตาม เ, เหตุตามปัจจัยนั้นๆไม่ใช่อย่างนั้นนอการทำสมาธิขอให้เข้าใจเมื่อเราทำจิตให้สงบได้จะไม่นานก็ตาม ้ากว่ามันมีกิเลสอันไดโผล่ขึ้นมาอย่าไปยอมให้มันรบกวนครอบงาจิตใจเราต้องใช้ปัญญาเพ่งพิจารณากิเลสอันนั้นให้มันเห็นแจ้งชัดนี่คือราคะก็ให้รู้อย่างนี้นะนี่คือโทสะมันเกิดขึ้นมาก็รู้นี่คือโมหะมันเกิดขึ้นแล้วมันทำให้เกิดความสงสัยลังเล ไม่เจมแจ้งในบุญในบาปคุณโทษต่างๆนั่นคือว่าโมหะเมื่อรู้อย่างนี้แล้วมันก็มันก็ไม่ยากเลยเมื่อรู้หน้ารู้ตาของกินเลสแล้วราคะมันก็เป็นไฟกองหนึ่งเผาจิใตใจเราโรนเช่นนั้นเน่ะเมื่อเรารู้ฤทธิดเดชของราคะอย่างว่านี่ก็กำหนดละมันไม่ส่งเสริมันแห่ง มันอยู่นั่นนะเขาเขามากําหนดละนี่คือเพ่งเพ่งละมันเพ่งให้มันดับไปอย่างนี้นะถ้าหากว่าเราไม่เพ่งอย่างนั้นนะเราจะไปว่ากําหนดใจละมันเดี๋ยวเดียวหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาอีกนมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านจึงสองในให้เพ่งพินิษฐ์หนว่าเพ่ง ดูกิเลสนี่เออกิเลสราคะตัณหามันมีมันเป็นของร้อนอย่างนี้อย่างนี้มันมีโทษอย่างนี้อย่างนี้เพ่งพินิษดูฤทธเดชของมันดูไอความชั่วร้ายของราคะตัณหามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้เมื่อมันเพ่งดูเห็นว่ามันมีโทษมากมายกับกองมันก็เบื่อหน่ายอ่มันเป็นอย่างนั้น เรียกว่าเบื่อหน่ายด้วยอำนาจแห่งปัญญาแบบนี้นะเมื่อเบื่อหน่ายมันก็คลายความก็หนัดลงได้ออถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาลงมากเป็นอย่างนั้นแม่โทสะ ก, ก็เหมือนกันถ้ามันมันถึงขั้นอ่าสมาธิอย่างนั้นแล้วกิเลสโผล่ขึ้นมามันก็ไม่รุนแรงดอกแม้รุนแรงก็ตามนะแต่เราก็เพ่งพินิษ ให้เห็นโทษแห่งความโกรธนั้นว่ามันไม่ดีมันก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกันมาก่อให้เกิดผูกเวรผูกกรรมต่อกันและกันชาตินี้แลว้วก็ชาติต่อไปก็ไปเป็นเวรกันไปอีกอย่างนี้นะเมื่อมันเป็นเวรกันอยู่เนี่ยมันจะมีความสุขแระที่ไหนสอนใจเข้าไปอย่างนี้ ใจมันเห็นแจ้งตามปัญญาแล้วมันก็เบื่อความโกรธวะ น, นี่มันก็ไม่ต้องการเลยวะ น, นี่เมื่อไม่ไม่ต้องการมันเบื่ อ, องล้วแล้วใครมายั่วให้โกรธมันก็ไม่โกรธมันก็รู้ตัวได้นี่มนันน่นนี่นะมันจะมายั่วให้เราสร้างความโกรธขึ้นมาอีกเราเบื่อเราเห็นโทษของมันแล้วเราไม่สร้างแล้วอา้าใครจะโกรธก็โกรธไปแต่เราจะไม่โกรธทบอม เมื่อมันเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนั้นแล้วมันก็ละได้เลยอืมก็ละได้เป็นไงั้นความหลงนี่เราก็เพ่งดูอ๋อความหลงในลักษณะอาการมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นความหลงนี่คือความไม่รู้แจ้งนั่นเองเนี่ยความสงสัยลังเลว่าบุญไปยังไงหนอบาปไป็นยังไงหนออย่างนี้นะมาคนาน้นนิพพานไปยังไงหนอ นรกที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นั้นเป็นอย่างไรเรานั้นไม่ไม่เห็นด้วยตาเขาตนเองชักสงสัยว่ามีจริงเหรออย่างนี้นะนั่นนะ่ะเรียกว่าความหลงนะ่ะมันทําให้เกิดความสงสัยไปทั่วเลยเมื่อหาว่าปล่อยว่าอย่างนั้นแล้วจิตใจมันก็ย่อมคลายจากคุณงามความดีน่ะแต่ทําไปทําไมมันคงจะไม่มีหรอกไอเรื่องหมูนั้นนะ่ะ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 เมื่อใจในละกิเลสหมดสิ้นไปแล้วก็เป็นนิพพานเท่านั้นเองนะก็เป็นนิพพานท่านไม่ว่าจิตว่าใจซะแล้วว่านิพพานเอม่มันเป็นอย่างนั้นคือว่าจิตดวงนี้มันไม่ไ ม, ไม่ท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายต่อไปอีกแล้วนะท่านก็บรรยายว่านิพพานเท่านั้นเองเนะี่ยเรามาเพ่งดวงนี้มันก็ค่อยเข้าใจไปได้เลยอ๋อคํา ว, ว่านิพพานนี่มันหมายถึง มาพยายามดับกิเลสครับภายในจิตใจนี่ให้มันหมดหมุ้ยลงไปให้มันเย็นลงไปอย่างนี้นะให้มันน้อยลงไปโดยลําดับนี่อ้าละกิเลสนี่หมดเมื่อใดแล้วก็จิตนี่ก็ถึงอมตะธรรมถึงธรรมอันไม่มีปัจจัยพุงแต่งเมือม่อเมือม่อเมื่อไม่มีปัจจัยพุงแจงแล้วมันก็ไม่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่ต่อไปอีก เป็นอย่งนั้นมันหมดปัจจัยแล้วเนี่หมดเหตุที่จะนําไปแล้วอันนี้แหละเมื่อเราพิจารณาโดยเหตุผลแล้วมันก็ลงความเห็นได้ว่ามันเป็นจริงพระนิพพานไม่ได้อยู่นอกกิจ น, นอกใจอยู่ที่ใจของคนเรานี่เองอแต่ใจมันไม่บรรลุพระนิพพานได้เพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะว่ามันยังละกิเลสไม่หมดยึดถือเอากิเลสไว้อยู่ เมื่อยังยึดถือกิเลสแล้วอยู่สาบใดเนะี่ยไม่มีทางหรอกที่จะได้บรรลุถึงพระนิพพานนะมันเป็นอย่างนั้นข อ, อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วก็จะอะไรและะ้วบ่เนี้ก็ภาเกี่ยมยามละกิเลสไปเลยเรื่อยสิบ่เนี้นี่เอา้าโรกทานิวาสอันนี้มันไม่มันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ทนได้ยากลำบาโกโรคคือร่างกายทั้งขา น, นี่นะ แล้วดวงจิตมาอาศัยอยู่นี่มันแสนลําบากจริงๆเพราะมันไม่เที่ยงแล้วจะไปยินดีพอใจอะไรกับมันนะ อ, อย่างนี้นะ น, นัะ่นแหะกับปัญญาสอนจิตเข้าไปจิตก็เห็นตามปัญญาทสิวะนี้เห็นว่าจริงๆนะไม่ควรที่จะไปยินดียันไรกับขันห้านี้เลยของจะยินดีกับมันวันนี้มันก็ไม่อยู่ในบงังคับบัญชา แม้จะยินร้ายจะเบื่อหน่ายมานยังไงมันก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมดาถึงขามันแตกมันดับมันก็แตกก็ดับไปเมื่อเป็นเช่นนี้ทำอย่างไรล่ะมันถึงจะพ้นทุกเหล่านี้ไปได้ก็วางอุเบกขาลงทินั่ น, น, นี่อย่าไปหลงยินดีอย่าไปหลงหลงยินร้ายกับขันห้าอันนี้พยายามปคับครองจิตของตัวให้เป็นกลางอยู่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 เมื่อปัญญาถามเข้าไปบ่วชจิตนี่มันก็รู้เห็นแจ้งขึ้นมาตามปัญญาสิวันนี้นะเออเป็นจริงเป็นจริงอย่างนี้แหละสรุปแล้วเรว่ารูปกายนี่ไม่ควรถือมัน่นเพราะไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้อืควรปล่อยควรวางก็หัดปล่อยหัดวางเข้าไปเรื่อยๆเลอมันเป็นอย่างนั้นเมื่อทุกสิ่งทุอย่างมันเป็นไปกับการฝึกฝนนะ ถ้าหากว่าเราไม่มั่นฝึกฝนแล้วมันเป็นไปไม่ได้ เ, ออเข้าใจมันละอุทานไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าเวลาจิตใจเป็นสมาธิมันก็ข่มกิเลสนั้นให้สงบอยู่ภายในเนี่ยมันไม่แสดงฤทธิ์ออกมาก็ดูมันไม่มีกิเลสอะไรเลยเออจิตใจก็สบายอยู่เป็นปกติอยู่ยนี่นะ แล้วคน ม, มันก็มาลืมตัวตรงนี้แหละเอา้าเราสบายอยู่นะเราไม่เดือดร้อนอะไรนี่แล้วอะไรจะมาบังคับให้กันพระไหวพระภาวนานั่งสมาธิเดินจงกรมอ่ะนั่นเกิดความผิดพขึ้นแล้วมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าก็ตนยังละ ก, กิเลสไม่หมดนี่แล้วจะไปอยู่เฉยๆได้อย่างไรอ่ะ ท่านพอเผอสติพออยู่เฉยๆเรื่อยๆไปไม่มีอุบายเงียบใครในใจในกี่เล็มันก็โผล่ขึ้นมาครอบงำจิตทันทีอย่างนี้นะนี่แหละให้เข้าใจไอคนที่ไม่ได้ฝึกพ้นอารมณ์ทางจิตใจไม่ได้ภาวนานะเหตุทนั้นมันจึงเกีนคนใจเบาเมื่อมีเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทกกบเข้ามาก็วันไว ไ, ไปตามทันทีเลยนี่ เราก็เห็นกันอยู่ด่าดื่มไม่ใชเหรือนี่แหละให้เข้าใจการที่เรายินดีในการฝึกผลอารมจิตนี่นับว่าเป็นลาบอันประเสริฐของเราอ่เพราะถ้าเราไม่ฝึกผลอารมจิตดวงนี้แล้วมันก็จะเที่ยวเกิดเที่ยวตายไปในสงสารไม่มีสิ้นสุดลงได้เศรษทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขกว่านี่มันเป็นอย่างนั้น ก็ดังนั้นแหละเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็จึงสมควรไม่ควรจะนิ่งนอนใจสมควรตื่นตัวอยู่เสมอตื่นตัวทำยังไงทำความรู้แจ้งในกายในจิตอยู่อย่างนั้นนะจิตตั้งอยู่อย่างไรก็กำหนดรู้อย่างงี้นะร่าง ก, กายตั้งอยู่อย่างไรแปรปวนอย่างไรก็กำหนดรู้ รู้ตามความเป็นจริงนี่กิเลสมันหุ้มห่อใจมันมีนิมิตรปรากฏว่าเหมือนกับท่อนไม้อย่างงี้นะมันหุ้มห่อใจอยู่ยงี่เราก็เพ่งท่อนไม้อันนั้นให้มันละลายหายสูญไปเลยวันนี้เมื่อท่อนไม้ละลายหายสูญไปแล้วกิเลสมันก็สงบลงไปเต่า น, นั้นเองนะอืม บรนดานิมิต ท, ทั้งหลายนะ่มันเรื่องราวของกิเลสนะให้เข้าใจดังนั้นอย่าไปหลงนิมิตต่างๆบุคคลผู้หลงนิมิตนั้นจิตวิปลรราสพอแต่นิมิตปรากฏในมโนทวารอย่างไรก็เชื่อมั่นว่าเป็นจริงอย่างนั้นก็ปล่อยจิตให้ไหลไปตามนิมิตนั้นอย่างนี้นะนี่แหละมันเกิดวิปลาสนะให้เข้าใจ มันไม่ใช่ทำของจริงนิมิตต่างๆนะ่ะไม่ควรที่จะไปถือมั่นนี้ไปถือมั่นของไม่ของไม่เที่ยงยังไงเล่าอไปถือมั่นของไม่เที่ยงก็เป็นทุกข์เหมือนกับมาถือวัตถถือมั่นร่างกายสังขารอันนี้ว่าเป็นตัวเป็นตนตมันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละให้เข้าใจถือมั่นในสัญญาวิปราชต่างๆโมเดลมันก็ล้วนแต่เป็นบอกเกิดแห่งทุกข์ทางจิตใจทั้งนั้นเลย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 ทวนกระแสจิตเข้าม า, าหาความรู้สึกอยู่ภายในนี่นะหายใจเข้าก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่งี้นะก็มาเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้แน่วแน่อยู่ว่าไม่ให้มันคิดไปไหนมาไหนในขนาดนั้นนะเช่นนี้แล้วไอ้ความที่ลิมิตต่างๆที่มันปรากฏออกมานะี่มันก็จะระ ง, งับไปเลย เพราะว่าจิตใจไม่ได้จดจ่อกับมันให้เข้าใจอย่างนี้ไอ้ที่มันนิมิตมันไม่หายนะนะเพราะว่าใจไปผูกพันกับมันไว้ไปสำคัญว่ามันเป็นจริงเป็นจังนี่นะแท้ที่จริงนะมันไม่จริงไม่จังอะไรหรอกมันเป็นสัญญาสัญญานี่เหมือนผีหลอกนี่นะมันหลอกให้จิตดิ้นล้นกดแก่งไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นอย่าไปหลงสัญญา ความจำหมายอารมณ์ต่างๆจำลูกจำเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสจำสีจำจาเสียงต่างๆจำสีขาวสีดำสีแดงสีเหลืองสีอะไรต่ออะไรอยู่หมูนี้มันก็ร่วนแตน่สัญญาทางนั้นเนี่ยนี่สีก็ไม่เที่ยงสัญญาที่จำเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันเนี่มันมีเกิดมีดับอยู่อย่างนั้น เมื่อเรารู้ลักษณะอาการของนิมิตยอย่างนี้เราก็ถอยจิตกลับขึ้นมามีสติประคองความรู้สึกอยู่ในปัจจุบันนี่ไม่ไม่ให้มันคิดอ่านไปทางไหนอย่างนี้นะแล้วนิมิตมันก็ดับไปมเมื่อนิมิตดับไปแล้วจิตใจมันก็รวมลงเป็นหนึ่งได้สบายเบาปลอดโปร่งอั น, นิมิตนี่ถ้ารู้เท่าเนาะ ม, มีคุณอยู่เหมือนกันเลย ทำให้ใจผ่องใสเบิกบานทำให้ปัญญาเกิดขึ้นมีสติความคิดนึกว่องไวรู้เท่าทันอารมณ์ต่างสงที่จรมากระทบกระทั่งตาหูจมูกลิน้นกายใจหมู่นี้น ะ, ะเรารู้เท่าทันแล้วไม่ยึดถือเอามันไม่ยินดียันารกับมันแล้วมันก็หายไปดับไปตามเรื่องของมันเฉยๆนี้นะ เดี๋ยวมันมันสําคัญอยู่ที่จิตไปหลงยึดหลงถือนีต่างหาไปถือไปยึดถือเอาของไม่เที่ยงหมายเข้าไว้อย่างนั้นเลยมันก็ไม่เที่ยงแล้วแนี้มันก็แปรสภาพไปทั่วเลยแต่ยังว่ามันไม่เที่ยงนี่นะดังนั้นน่ะพระพุทธองค์จะได้ทรงสอนให้รู้เท่าเลยแม่นิมิตอะไรเกิดขึ้นมาตั้งสติให้มั่นแล้วกำหนดรู้เท่าว่า มันเพนได้เพียงสัญญาอารมณ์เท่านั้นเกิดแล้วก็ดับไปไม่คงที่อย่างนี้นะดังนั้นขอให้พากันเข้าใจการฝึกผนอบรมจิตใจนี่นะให้เข้าใจตามนี้ผู้ใดเทศให้ฟังปา น, นี้ยังเข้าใจความหมายไม่ได้นั้นบาปหลาย บาปมากทีเดียวเลยอืมก็ไปเสวยผลของบาปสะก่อนไปอืมผู้ใดรู้ตามเห็นตามแล้วก็เออลงมือกว่าพืชไปนะแต่เพียงเสด็จจาอุบายได้เฉยนี่ไม่ลงมือเพ่งจิตก็ไม่ได้นะจิตจะไม่มีกําลังนีอีกแล้วอืมดังนั้นถ้าเราได้อุบายแล้วเราเพ่งความรู้สึกนนี้อยู่เสมอโอกาสเมื่อโอกาสมีอ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 มีแต่ปล่อยมีแต่วางลูกเดียวอย่านี้จิตนี้มันก็รู้สึกว่าส ง, งบละเอียดแนบเนียนเข้าไปแล้วก็เบาโปรง่งลักษณะของจิตที่มันไม่มีอารมณ์ต่างๆมารบกวนแล้วนะมาสิงสถิตยอยู่แล้วมันมีแต่เบาแต่โปร่งเลยมัเป็นงนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็มีสติประคองความรู้สึกอันนั้นไว ให้รู้เท่าบอกความเบาเหล่านี้มันก็ไม่เทียมเหมือนกันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมันจะเบามันจะหายหนักมันจะเข้ามาแทนอีกนะเพราะฉะนั้นต้องรู้เท่าไว้อย่างนี้นะตนเองเตือนตนเองสอนตนเองไปอยู่อย่างนี้เมื่อทำได้อย่างนี้มันก็อกิเลสมันก็งอกงามเจริญขึ้นในจิตใจไม่ได้แล้วใจก็มีแต่กุศลทำเป็นเครื่องอยู่แหละวันนี้นะ มีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องอยู่ใจก็อยู่กับบุญกับคุณนี่แหละแม้เราไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาก็ตามเราทำกิจการงานอะไรยืนเดินนั่งนอนอะไรก็ให้กำหนดว่าจิตดวงนี้นะมันอยู่กับบุญกับคุณไม่ได้อยู่กับกิเลสอย่างอื่นอย่างนี้นะให้รู้ตัวเองอย่างนี้แล้วก็พยายามรักษาสมาธินี่ไว ให้มันชำนิชำนานเข้าออกสมาธินี้มันได้นี่แหละจะเป็นบ่อกเกิดแห่งปัญญาความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงมีทุกข์สัตย์เป็นต้นดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอจบลงเพียงเท่านี้